อภรรประดับใจข้อที่ 2. ความกรุณาลูกรักจดหมายฉบับก่อนพ่อได้พูดถึงเมตตาในฉบับนี้จะพูดถึงกรุณาซึ่งเป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในใจของทุกๆคนมันเป็นสิ่งที่นําความชุ่มเย็นเป็นสุขมาให้ทั้งแก่ผู้กรุณาและผู้รับความกรุณาความทนไม่ได้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องการช่วยเหลือตามกำลังสามารถช่วยขอพ้นทุกเรียกว่ากรุณามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายตกอยู่ในห่วงทุกข์ดิ้นรนอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์นานนประการทั้งทางกายและทางจิตควรแก่การช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งเขาเหล่านั้นต้องประสบความทุกข์ยากลำบากทางกายบ้างทางจิตบ้างเพราะความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงหรืออวิชา เพราะความหลงผิดหรือโมหะผู้รู้จึงต้องช่วยเขาให้มีความรู้ขึ้นให้รู้จริงและพ้นจากความหลงผิดคนบางส่วนในบ้านเมืองของเราและในโลกทั้งมวลยังช่วยตัวเองไม่ได้แม้ทางกายคือยังยากจนค้นแค้นอดอยากขิวหวยเด็กๆยังเป็นโรคขาดอาหารอยู่เป็นอันมากผู้ใหญ่ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนัก เพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งตนเองและครอบครัวความหรูหราฟุ่มเฟือยของสังคมเมืองบางส่วนนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเล็กน้อยเหมือนฉากละครหาใช่ความเป็นจริงในสังคมส่วนใหญ่ไม่ความยากจนสัมพันธ์กับโรคภัยไข้เจ็บมีโรคหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะสาเหตุคือความยากจนเช่นโรคขาดอาหารโรคพยาธิต่าง เพราะความยากจนจึงไม่สามารถรักษาความสะอาดและกินอาหารที่ดีได้บางแห่งร้อยละแปดสถึงเกหรือร้อยละร้อยของประชาชนในบ้านเมืองเรามีพยาธิอยู่ในตัวเพราะยากจนจึงไม่สามารถได้รับการดูแลรักษาอย่างดีได้ต้องบ่ายหน้าไปสู่โรงพยาบาลของรัฐถือเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดคิดว่าค่ายาค่ารักษาถูกสักหน่อย โรงพยาบาลของรัฐจึงแน่นเอียดไปด้วยคนป่วยประเภทต่างๆชนิดที่คนดีๆไปแล้วจะกลับมาป่วยเสด้วยคนป่วยเหล่านั้นไม่รู้ว่าตนเป็นโรคอะไรควรจะต้องบำบัดรักษาอย่างไรพวกเขาไปยืนเข้าคิวยาวเหยียดถึงกับต้องวางรองเท้าไว้เข้าคิวแทนตนก็มีออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดตีสตีหก็จะได้กลับก็เที่ยงหรือบ่ายสองโมง พบหมอเพียงสองสานาทีได้ยามาเพียงขวดเดียวหรือสองขวดซองเดียวหรือสองซองหมดแล้วต้องกลับไปหาหมออีกโดยวิธีเดิมลองคิดดูเถิดพวกเข้าน่าสงสารน่ากรุณาเพียงไรคนเหล่านี้ถ้ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพอนามตสักหน่อยรู้จักใช้ยาง่ายๆก็จะไม่ต้องทนลำบากถึงขนาดนั้น 90% อร์ซ์ของคนที่ไปอาอัดยัดเยียดกันอยู่ที่โรงพยาบาล น, นั้นถ้าเขามีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและรู้จักใช้ ย, ยาง่ายๆเช่นยาแก้ปวดหัวปวดท้องท้องเดินเป็นหวัดเป็นต้นเขาจะไม่ต้องไปลำบากที่โรงพยาบาลแต่เพราะเขาไม่รู้จึงต้องทนทุกทรมานเช่นนั้นเรื่องนี้ไปสัมพันธ์กับการศึกษาของประชาชนเข้าอีก การศึกษาของเรามุ่งให้คนเรียนสำเร็จออกไปเป็นเจ้าคนนายคนหรือเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มุ่งหมายให้คนเป็นนายของตนเองถนนแห่งการศึกษาทุกสายของเรามุ่งสู่ความยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นแต่เป็นทาตของความทะยานอยากของตนเองเป็นทาตของกิเลสของความเร่าร้อนทุรนทุรายนาน า, นานประการด้วยเหตุนี้คนบางพวก แม้จะพึ่งตนเองได้ทางกายคือมีเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอันอุดมสมบูรณ์มีเกยียรติมียศศักดิ์อันสูงส่งมีคนรับหน้าถือตามีสุขภาพกายดีแต่เขาพึ่งตนเองไม่ได้ทางใจพวกเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลหมกมุ่นเศร้าหมองริษยาพยาบาทชิงดีชิงเด่นอาฆาต จ, จองเวนต่อกัน ฟาดฟันห้าหันกันด้วยวิธีการต่างๆหาความสงบไม่ได้แม้จะอยู่ในห้องแอร์และกินน้ำแข็งก็หาทำให้จิตใจสงบเย็นลงได้ไม่พวกเขาเป็นโรคผิดหวังเป็นโรคเครียดจนต้องกินยานอนหลับกันทุกคืนการศึกษาของเรามุ่งมองไปไกลตัวเกินไปให้รู้จักสิ่งต่างๆในจักรวาลมากมายแต่ไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักเพื่อนมนุษย์ในสังคมเดียวกันไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อตอนเองและต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตนมนุษย์จิงอยู่ร่วมกันยากคอยแต่จะรังเกียจกันรู้ว่าแม่น้ำอะไรอยู่ที่ไหนของโลกรู้ว่าแม่น้ำอะไรยาวที่สุดแต่น้ำใจของตอนแห้งขอดต่อผู้อื่นจะมีบ้างก็เฉพาะที่เร่งประโยชน์แล้วว่าจะได้ผลประโยชน์คืนมาเกินกว่าที่ลงทุนไป น้ำแห่งความกรุณาได้เหือดแห้งหายไปจากสังคมมนุษย์เป็นอันมากมนุษย์ไม่ไว้ใจกันเด็กหนุ่มเด็กสาวมัวพร่ำรำพันว่าทำอย่างไรเราจะได้มีเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งเพื่อจะได้อบอุ่นใจแทนการคิดเช่นนี้ทําไมเขาไม่คิดสมัยว่าทําอย่างไรเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของใครสักคนหนึ่งเพื่อเขาจะได้อบอุ่นใจไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย เพื่อเขาได้มีที่พึ่งพิงคิดอย่างแรกอยู่นอกเหนืออำนาจการกระทำของเราคิดอย่างหลังอยู่ในอำนาจการกระทำของเราและเราทำได้คนมีความกรุณาย่อมคิดอย่างหลังส่วนคนที่คิดอย่างแรกนั้นเห็นแก่ตัวคนที่คิดอย่างหลังด้วยกันย่อมเป็นที่พึ่งแก่กันและกันมนุษย์เราแม้จะต่างเพศต่างวัย ต่างความรู้ต่างฐานะและต่างประสบการณ์แต่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวเกินไปแล้วย่อมจะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เดือดร้อนดูตัวอย่างหมู่ไม้ในป่าใหญ่นั่นเถิดแม้จะนานาพันมันก็อยู่ร่วมกันได้ความกรุณาเป็นอาภร์ประดับใจที่ทำให้มีสเสน่ห์มีความสุขความร่มเย็นยิ่งกว่าเครื่องประดับภายนอกอันเป็นสื่อให้เกิดความร้อน คือไฟราคะโทสะและโมหะโลกตกอยู่ในห่วงทุกข์ความกรุณาจะช่วยได้ด้วยรักและคิดถึงเสมอพ่ออาพรประดับใจข้อที่ส ม, มุทิตาลูกรักกิเลสตัวสำคัญและร้ายแรงอย่างหนึ่งในตัวคนเราคือความริษยาเห็นใครได้ดีมีสุขเสมอตนหรือยิ่งกว่าตนแล้วทนไม่ได้ มีอันให้เดือดร้อนไปต่างๆอยากจะให้ร้ายเขาด่าว่าเขาให้เสียหายแทนความยินดีความชั่วในใจอย่างนี้เอาชนะมันได้ด้วยมุทิตาความพรอยยินดีบันเทิงใจต่อความสุขความสำเร็จของผู้อื่นการที่จะมุทิตาได้นั้นเราจะต้องฝึกหัดอยู่เสมอฝึกหัดเอาชนะความริษยาการที่จะเาชนะความริษยาได้ ต้องพิจารณาให้เห็นโทษของมันและเห็นคุณของมุทิตาด้วยพิจารณาจริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีใครที่เราควรริษยาเลยเพราะทุกคนตกอยู่ในห่วงทุกข์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมีความทุกข์เสมอหน้ากันเพียงแต่ต่างเรื่องต่างเหตุการ์เท่านั้นเขาได้สิ่งใดมาเขาก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยสิ่งนั้นแม้สิ่งนั้นจะให้ความพึงพอใจแก่เขาได้ ก็ให้ทุกกับเขาด้วยไม่ได้ให้ความพึงพอใจอย่างเดียวช่วงนี้เป็นเวลาที่นางงามจั ก, กรวาลกลับมาถึงเมืองไทยได้52วันถ้าลูกสังเกตจะเห็นว่าวันแรกๆ ก, ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่พอวันหลังๆก็ป่วยบวย่อยและยิ้มไม่ค่อยออกเพราะไม่ค่อยสบายและต้องคอยหนีคนที่ห้อมล้อมเมื่อมีกาหนดการแล้วก็ต้องไปต้องออกงาน แม่ไม่ค่อยสบายก็ต้องไปนอกจากลูกไม่ไหวจริงๆเช่นคราวที่ไปเชียงใหม่ต้องงดการเยี่ยมเด็กพิการเป็นความทุกข์ของคนสวยและมีชื่อเสียงเช่นนางงามจั ก, กรวาล น, น่าริษยาหรือพ่อว่าน่าสงสารมากกว่าพ่อจึงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพิจารณาจริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีใครที่เราควรริษยาเลย คนที่ประสบผลสําำเร็จในทางใดก็เพราะเขามีความภาคเพียรบากบันและมีคุณสมบัติพร้อมในทางนั้นควรจะพลอยยินดีกับเขาที่เขาเป็นคนดีและได้ดีถ้าเขาเป็นคนชั่วเราก็ไม่พอใจบ่นว่าทำไมไม่รู้จักทำตนเป็นคนดีพอเขาดีขึ้นมาก็ไปริษยาเขาอีกอย่างนี้แล้วจะให้เขาทำอย่างไรถ้าเราถูกคนอื่นริษยาก็ขอให้นึกว่า เพราะเรามีดีเข้าจึงริษยาช่างเขาเถอะอย่าไปเอาเรื่องกับเขารักษาความดีและความบริสุทธิ์ของเราไว้แต่อย่าทนงตนจนคนเขาหวั่นไส้เกลียดชังแม้เราจะมีดีอย่างอื่นหลายอย่างก็อย่าลืมดีอย่างหนึ่งคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะคุณความดีอันนี้จะเป็นเสมือนเกราะป้องกันภัยคนเก่งไม่ให้ถูกเบียดเบียนหรือก่อศัตรูโดยไม่จาเป็น ให้คนเขายกให้เองไม่ใช่ไปยกตัวเองใช่เกินงามเกินพอดีคนมัรรษยานอกจากจะทำลายผู้อื่นแล้วย่อมทำลายตัวเองได้มากอีกด้วยมีนิทานเรื่องหนึ่งท่านเล่าไว้เพื่อแสดงทวดของความริษยาว่ามีชายสองคนเทพประธานพรให้ว่าขออะไรก็ได้เพียงอย่างเดียวใครจะขอก่อนก็ได้ แต่คนขอทีหลังจะได้เป็นสองเท่าของคนขอก่อนคนโลภอยากได้ของมากจึงไม่ยอมขอก่อนส่วนคนริษยาเมื่อเพื่อนไม่ยอมขอก็ขอก่อนขอให้ตนตาบอดข้างหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้คนโลภจึงต้องตาบอดทั้งสองข้างดูเถิดดูพฤติกรรมของคนเขาเพราะความโลภและความริษยาแทนที่จะขออะไรที่เป็นการได้ประโยชน์ด้วยกัน แม้ตนจะได้น้อยกว่าก็ยังดีกว่าพิ่นาดน้อยกว่าเช่นขอซับสักหนึ่งแสนอีกคนหนึ่งได้สองแ0นหรือขอหนึ่งล้านอีกคนได้สองล้านก็ยังดีกว่าขอให้ตนตาบอดข้างเดียวแล้วอีกคนหนึ่งตาบอดสองข้าง